4. โพชนวัตรหมวดว่าด้วยโพชนะ 1. อาวสาทะปินท่สิกขาบทว่าด้วยการฉันพัตหารในที่ภากแรมเรื่องพระชาพคี 203. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นในที่ไม่ไกลกรุงสาวัตถีมีสมาคมหนึ่ง จัดตั้งพระทหารไว้ในที่ภักแรมในเวลาเช้าพวกภิกษุชาวพคีครองอันตราวาสกแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีเมื่อไม่ได้พระทหารจึงได้ไปยังที่ภักแรมพวกชาวบ้านถวายพรทหารด้วยความดีใจว่านานๆพระคุณเจ้าจึงมาครั้งนั้นแม้ในวันที่สองพวกภิกษุชาวพัีแม้ในวันที่สพวกภิกษุชาวพคีครองอันตราวาสก แล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินธบาตในกรุงสาวัตถีเมื่อไม่ได้พัฒหารจึงไปยังที่พักแรมแล้วชั้นพัทหารครั้งนั้นพวกพิสุชาพัคีได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพวกเราจะกลับไปอารามทำไมกันพรุ่งนี้ก็ต้องมาที่นี่อีกจึงอยู่ชั้นพัทหารในที่พักแรมเป็นประจำพวกเดรธีจึงพากันจากไปพวกชาวบ้านพากันตาหนิประนามโพลธนาว่าชนายพระสมณะเชิดสายสกยบุตร จึงอยู่ฉั้นพัทหารในที่พักแรมเป็นประจําเล่าพัฒหารในที่พักแรมเขาไม่ได้จัดไว้เพื่อท่านเหล่านี้เท่านั้นแต่พัฒหารในที่พักแรมเขาจัดไว้เพื่อสาธารณชนต่างหาพวกพิสษุได้ยินพวกชาวบ้านตําหนิประนามโพลทนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามพลธนาว่าฉนัยพวกพิสูจน์ชาวพคีจึงอยู่ฉันพัทหารในที่พักแรมเป็นประจําเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิ พวกพิกษุชาพักคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงสราง